2> Book <21. S> 2 In In S <S 2ยี่สิบเอ็ดการสนทนาสองส몰ทกทคุณมาจากไหนคะวอร์กมย์ใหฟันดนมาจากบาเซลค่ะ ไอ้บาเซลปาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บาเซลเป็นสวิตลนดดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิลเลอร์ได้ไหมคะ m a ายถึงคนฟูรสเทลของมิเรร์ m ิ l l e r เขาเป็นคนต่างชาติไฮเป็นเบลเยียเขาพูดได้หลายภาษา ไอ้โปรดฟิชไก่ตอละคุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะเอสเตจูอิสต์เกียรีร์ไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะเนี่ยเอควาสโลชอร์อุคีร์แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะมารเนต์เฟรเวีย คุณชอบที่นี่ไหมคะ Uffentijde poons คนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะ b a i e goed. De mensen is vriendelijk และดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ In een fonielanskap. คุณทำงานอะไรคะ Wat is jouw beroep? ดิฉันเป็นนักแปล Agus Vertolter ดิฉันแปลหนังสือ Agvertol Bücher ค, คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะอัสยาเลียนีร์ไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะ Nia, mein Mann ist hier และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉัน